ต่อไปบอกว่าคุนคลังของพระราชบุตรนั้นทั้ง3คนเนี่ยมีคนเดียวขุน ค, คลังคนที่ดูแลทรัพย์เนี่ยนะสมุบัญชีก็คนเดียวกันนะคนที่ดูทรัพย์คนที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินทั้งขสัตริย์3องค์ในองค์เดียวกันท่านทั้งหมดนั้นมีบุรุษที่คอยรับใช้12บหนเป็นบริวารก็คือแสนสองพระราชโอรสทั้งสก็รับสั่งให้บริวารเหล่านั้นมาแล้วตรัสว่าเราทั้ง3จักรับศินสินุ่งหม่มผ้ากาสาวพัด อยู่ร่วมด้วยภาษาสดาตปลอดสมเดือนนี้เขาเรียกว่าขอบวชเนนสามเดือนละกันจะขอบวชเนรทาบุญสมเดือนเดี๋ยวลงเรื่องจะบวชบํารุงต้นโพอยู่เจวันใ น, นเรื่องนะเจ็วันดูว่าไปขยันตะกวาดต้นโพ ร, รึเปล่าไม่ทราบไปปัดปอดเช็ดถูบริเวณต้นโพใ น, นเรื่อง น, นนะอันนี้เขบอกว่าขอรับสินสิบนุ่งห่มผ้ากาสาวะสมเดือนเต็มเลยเพราะฉะนั้นพวกท่านจงรับค่าใช้จ่ายประมาณเท่านี้ก็คือ เออรียว่าสังเบิกค่าใช้จ่ายก็ประมาณเฉลีย่ยแล้ววันละแสนวันละแสนดูแลทาบุญแล้วกันแล้วก็ยังของเคี้ยวของบริโภคทุกอย่างให้เป็นไปให้ทั่วๆแก่ภิกษุ 90,000 รูปและนักรบของเราพันหนึ่งเนี่ยนะก็หนึ่งห่นเอาข้ไป9กพรูปตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นจะไม่พูดจะไม่แสดงจะไม่ออกความเห็นเพราะฉะนั้นดูแลไปก็ให้ขุนคลังกับ สมุบัญชีดูแลเรื่องอาหาคนมา12นโหดเนี่ยแสนสองคนเนี่ยเป็นคนคอยดูแลทำบุญแล้วกันโอรสทั้งสามก็พาบุรุษบริวาร 1,000 พัน 1, สมาทานศีล ส, สินุ่งห่มผ้ากาสาวพัดนุ่งอนะอยู่ในอยู่ในไหนอยู่แต่ในพระวิหารไม่ออกไปไหนขุนคลังและสมุบัญชีก็ร่วมกันเบิกสเสบียงตามวาระจากเรือนคลังทั้งหลาย ของพระเจ้าพี่สามพี่น้องเนี่ยก็สลับวัลละองค์วัลลองอ่ะนะเบิกเรียกว่าเบิกคลังของวัลละองวัลลองค์ไปดูแลอย่างเงี้ยผ่านไปทีนี้ไอ้พวกลูกของข้าทาสกรร ม, มกรก็ร้องให้ต้องการข้าวยาคูและพัดคือเวลาที่เวลาเช้าเขาจะถวายข้าวต้มก่อนตอนสายๆหน่อยก็จะถวายอาหารถวายข้าวเนี่ยนะทีนี้ไอ้เขาก็ทําอาหารอย่างดีอย่างประณน็เพราะว่าสั่งเบิกจ่ายคลังหลวงเนี่ย อาหารดีๆทนีนี้ไอ้พวกเด็กๆ เ, เนี่ยมันก็หิวตื่นเช้ามาก็ากระจอ ง, งอแงร้องกินร้องให้อยู่ใกล้ๆนั่นแหละธาตกรรมกรเหล่านั้นเนี่ยทีนี้พระภิกษุสง์ยังไม่มาก็เลยเออตักให้ลูกหน่อยก็แล้วกันก็ให้วัตถุมีข้าวยาคูและพัดเป็นต้นแก่บุตรเหล่านั้นตักอาหารให้ให้ลูกกินก่อนเลยให้ลูกเล็กๆแดงอยากกินไดกินเลยลูกในเวลาที่ภิกษุสันชันเสร็จแล้วไม่เคยมีของอะไรเหลือเลย เพราะฉะนั้นเหลืออาหารไว้ให้แก่พระฉันพอได้คนละอิ่มพอแล้ต่อมาพวกกรรมการกรรมกรเหล่านั้นก็อ้างว่าเราจะให้แก่เด็กอาหารเนี่ยทำเยอะจริงอ่ะนะแต่ว่าเท่ากับอาหารเนี่ยจะต้องทําเลี้ยงคนอย่างน้อยเกือบ20งแสนคนก็ขอพายสองแ0 0กว่คนเนี่ยนะท่านวันหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งเนี่ยทีนี้ไอ้พวกทาดกรรมกรขอกินก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยถวายพระสงฆ์นะซึ่งตัวเองจริงๆก็เป็นแพทย์คนทํางานมารับจ้างทํางาน ซึ่ง อ, อันนั้นเป็นเบิกพระคลังหลวงและของที่เขาทำนั้นทำวัตถุจริงๆแล้วมุ่งอุทิศแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นั้นตัวพวกตัวก็อาศัยโอกาสเอาไปรับกินซะเองหมดเลยเพราะฉะนั้นเห็นอาหารที่ตัวเองชอบใจก็ไม่สามารถจะอดกลั้นได้พวกเขามีประมาณจำนวน8 4คนไอ้นักกินอย่างนี้จริ ง, รงๆมีประมาณ 84%, พคน จำนวนมากเลยทนะีกินเพราะจริงๆมันมีแค่แสนสองคนดีๆอยู่ในนั้นก็หมืน่นสองสามหมืน่นนะปีก8 0 0มืนกว่าคนเนี่ยเป็นนักเรียกว่าหยิกได้หยิกยา้าอะไรนะเรียกว่าทุจริตนั่นนะเขาก็กินอาหารที่ถวายสงเพราะเบื้องหน้าแต่ตายกายแต่ก็เกิดในเปรตติวิสัยเจงก็บอกว่าทีเอาบอกว่าตกนรกก่อนแล้วก็มาเป็นเปรต โอกาสคนสมัยนั้นเขาไปทำบุญกันได้บุญกันไปเยอะแยะเกิดในสวรรค์กันเจ้านี้ตกนรกกัน 84,000 แล้วก็มาเกิดเป็นเปรตทีนี้ฝ่ายราชโอรส3พี่น้องพร้อมด้วยบุุษบริวาร1ันหนึ่งทำกาละแล้วก็ไปเกิดในเทวโลก น, นะฝ่ายบุญก็จากเทวโลกสู่เทวโลกจากเทวโลกสู่เทวโลกผ่านไป92กับจากพระพุทธเจ้าองค์อดีตมาจวบปัจจุบัน ส่วนพระอุรสสามพี่น้องนั้นทั้งทั้งหมดทั้งสาคนก็ปรารถนาพระอรหันต์ทำกัลยาณกรรมด้วยประการชนีนะส่วนสมุบัญชีของอุรสสามองค์นั่นนะคนที่เป็นสมุบัญชีก็คือพระเจ้าพิมพิสารขุน ค, คลังก็คือวิสาขอุบาศกนะขุน ค, คลังอุบาศาวิสาอุบาศกก็คือสามีของพระธรรมทินนาเทรีนะธรรมทินนาเทรีที่เป็นเอตทัคคะด้านปฏิสัมพิทา ทีนี้พวกกรรมกรของท่านทั้ง3นั่นนะ น, นะก็ไปเกิดแล้วในเปรตท่องเที่ยวด้วยสา ม, มารถแห่งสุขติทุกคติในกลับนี้นะจริงๆก็จากอบายแต่ก็โดยมากก็ไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอัธยาศัยขนาดว่อาหารพระพุทธอาหารพระรัตนตรายยังกินได้อย่างอื่นก็ไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นก็จากอบายส่อบายซะส่วนใหญ่ในที่สุดพุทธศาสนากลับนี้ในกลับนี้เกิดเป็นเปรตในเปตโลกสพุทธันดร อ๋อสีพุทธันดรคนหลายคนเขาแบบเรียนว่า้ตายเกิดเขาไปดิบไปดีเจ้านี่ตกนรกนะนะแปดหมืสพันพอพายเกิดเป็นเปรตมาสี่พุทธันดรซึ่งมันนานมากเปรตเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากากุสันทพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งในกลับนี่นะซึ่งจะมีข้างหน้าอ่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากากุสันทมีพระชนมายุได้สี่0 0ื่นปีเสด็จอุบัติขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าทุกองค์ในกลับนี้ พวกเปรตเหล่านั้นก็ไปทูลขอว่าขอพระองค์โปรดบอกการเป็นที่ให้อาหารแก่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์เมื่อไหร่จะได้ทานนะอดอยากหิวโหยมานานแลว้วพระพุทธเจ้ากะกุสันทาก็ตอบว่าพวกท่านยังไม่ได้อาหารในการของเราแต่ภายหลังแห่งเราเมื่อแผ่นดินงกสูงขึ้นประมาณหนึ่งโยชนก็คือร่วม20กิโลเมตรเนี่ยนะ จะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคนามณะอุบัติขึ้นพวกพวกเจ้าพึงทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นดูเถิดให้รอถามพระพุทธเจ้าองค์หน้านะรอเดี๋ยวรอหน่อยละกันแผ่นดินสูงขึ้นอีกร่วม20กิโลเมตรค่อยถามพระพุทธเจ้าองค์หน้าว่าจะได้กินไหมพระองค์ไม่บอกนะ่าอีกนานจะได้กินนะนะเดี๋ยวเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวเสียใจหมดเลยนะให้ไปถามคนข้างหน้าบอกอไปถามคนข้างหน้านะครับผัดกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะ ทีนี้เปรตเหล่านั้นก็รอวันเวลาอดอยากหิวโหยให้ผ่านไปเท่านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามวาโกนาฆะมณะนั้นอุบัติขึ้นแล้วก็ได้ทูลถามพระองค์อีกพระองค์ก็บอกว่าพวกท่านยังไม่ได้อาหารในยุคของเรารอกภายหลังแห่งเราเมื่อแผ่นดินงอกสูงได้อีกหนึ่งโยธจะมีพระพุทธเจ้าพระนามวากสปะอุบัติขึ้นรอถามพระองค์ก็แล้วกันก็ดีใจนะรอฟังพระพุทธเจ้าผ่านไปอีกเนี่ยแผ่นดินร่วม40กิโลเมตรนะนะอดอยากนะนี เขาบอกว่า7อย่างอย่างสมมติว่มเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะเมืองเชียงใหม่เนี่ยขุดลงสมัยแรกๆเนี่ยขุดลงประมาณเกือบประมาณสักเม็รหนึ่งอะนะเจ็ปีเนี่ยเม็ดหนึ่งในสมัยที่ที่พุทธกยาเนี่ยสอ0พกว่าปีเนี่ยขุดลงไปเยอะเหมือนกันนะอันแผ่นดินเนี่ยมันลักษณะมันงอกขึ้นจริงๆมันของเก่าแก่จะต้องขุดขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าแผ่นดินมันจะเถาะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสูงขึ้นโน่นอะร่วม20กิโลเมตรเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งอะนะ รอแล้วรอแล้วถ้าใครไม่เคยหิวไม่รู้สึกหรอกว่าหิวมันเป็นยังไงอย่านตอนบวดใหม่ๆนี่ชัดเลยนะมันหิวอะไรขนาดนั้นไม่ทราบนะยังไม่เคยทานอาหารไม่เคยฉันไม่เคยอะไรมานะเห็นอะไรมันก็ยังหิวเลยเห็นข้าวเม็ดแห้งๆมันยังหิวเลยนะเรียกว่าข้าวตากแห้งนลยนะหิวจริงๆพูดถึงว่าเปรดนั้นยังเวลาให้ผ่านไปเนี่ยนะจนถึง แผ่นดินร่วม40กิโเมตรแล้วนะาจากองค์แรกแล้วมาถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะอุบัติขึ้นแปลกก็เลยไปทูลถามพระองค์พระองค์ก็บอกว่าพวกเจ้าไม่ได้กินอาหารในการาศาสนาของเรารักพายหลังแห่งเราสิ้นไปแผ่นดินสูงขึ้นอีกร่วม20กิโเมตรเนี่ยนะจะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมอุบัติขึ้นในการนั้นยากของพวกเจ้าจะเป็นพระเจ้าพิมพ์พิสาร พระเจ้าพิมพิสารจักถวายทานแด่พระาศาสดาจาักให้ส่วนกุศ ล, ลทานแก่พวกเจ้าเจ้าจักได้อาหารในคราวนั้นอันพุทธันดรหนึ่งก็ปรากฏแก่เปรตเหล่านั้นเหมือนวันพรุ่งนี้ว่าหิ้วมานานเนี่นะแมอีกแค่ดแป๊บเดียวเดี๋ยวจะได้ทานละอันเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์แสดงตรัสรู้ประทับอยู่ที่พารณสีจากพารณสีไปสู่ ราชครึกเนี่ยนะพระองค์ก็ไปโปรดชะดิน3าพี่น้องก่อนนะโปรดชะดิน3พี่น้อ ง, อนนะองแล้วก็ในที่สุดก็ได้เข้ามาเมืองราชเครกเนี่ยนะพระเจ้าพิมพิสารก็ทําบุญตอนหลังพระเจ้าพิมพิสารอุทิศ ส, ส่วนบุญให้นันแล้ว น, น, นะรายละเอียดเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่าเปรตเหล่านั้นเมื่อพระตถาคตอุบัติแล้วเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานในวันต้นวันแรกเนี่ยไม่ได้อุทิศ ส, ส่วนกุศล ก็เลยส่งเสียงร้องหน้ากลัวแสดงตนแด่พระราชาในส่วนราตรีแล้วรุ่งขึ้นเท้าเธอเสด็จมาสู่เวลุวันกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระตถาคตพระองค์ตรัสว่ามหาบาพิษในที่สุดนับถอยหลังจากนี้ไป9ก้าสิบสองกับในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามวพุทสะพวกเปรตนั่นเป็นญาติของพระองค์ กินอาหารที่เขาถวายภิกษุสงเกิดในเปรตตโลกแล้วท่องเที่ยวอยู่ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นก่อนๆมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะเป็นต้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ตรัสบอกคำอย่างนี้อย่างนี้เปรตเหล่านั้นหวังเฉพาะทานของพระองค์ตลอดการเท่านี้รอให้คนนี้แหละส่งมาให้เหมือนอะไรนะ คล้ายกับแบบพวกพวกอะไรนะถ้าเป็นชาวชนบทเพราะลูกหลานมาทํางานต่างในเมืองใช่ไหมรอลูกส่งสตังค์ไปให้รอแล้วรอเงียบจดหมายก็มีแต่จดหมายคนอื่นไม่มีจดหมายของเราเลยเนี่ยนะก็คล้ายๆแบบนั้นนะนะพวกนี้ก็กคอลลันแล้ววันเราอดรนทนไม่ได้ก็เลยไปเยี่ยมลูกที่กรุงเทพลูกไม่คุยด้วยก็เลยกลับมาเลิกกเลยนะฮะมียายคนหนึ่งที่ต่างจังหวัดเขาว่าอย่างนี้แหละ บอกมันไม่ใช่ลูกฉันแล้วฉันไปเยี่ยมมันมันก็ไม่คุยกับฉันของกันอะไรกลายเป็นผู้ที่จริงๆถ้าลูกไปหาผมก็คืนดีอะนะแต่ว่าแม้ลูกก็ใจดําจังเลไม่ยอมคุยด้วยกับแม่แม่ก็เลยช่วยเหลือตัวเองเนี่ยนะอิ่มบ้างอดบ้างไปวันๆหนึ่งก็บอกนี่เป็นมนุษย์นะในเรื่องนี้มีไม่ก็ไม่กี่วันที่แล้วนี่แหละนะเรื่องนี้ยังมีในปัจจุบันก็ยังมีแล้วอีกโลกหนึ่งจะไม่มีได้อย่างไรอีกภพภูมิหนึ่งจะไม่มีได้อย่างไร นนะทีนี้ฝ่ายาพระพุทธพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสให้พระเจ้าพิมพิสารฟังว่าเมื่อวานนี้นะพระองค์ถวายทานและพระองค์ก็ไม่ได้อุทิศ ส, ส่วนกุศลเพราะฉะนั้นพวกนี้เลยไม่ได้รับส่วนกุศลอย่างนั้นพระราชาก็เลยถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าหากว่าหม่อมชั้นถวายทานแม้ในบัดนี้เปรตเหล่านั้นจะได้รับอาหารไหมได้มหาบาพิต พระราชาก็เลยนิมนต์พระภิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกถวายมหาทานในวันรุ่งขึ้นแล้วก็พระราชาทานส่วนบุญว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าวน้ําอันเป็นทิพย์จงสําเร็จแก่พวกเปรตเหล่านั้นจากมหาทานเหล่านี้เถอด้วยมหาทานที่ทําบุญเลี้ยงพระภิสุสงฆ์เป็นพันรูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกนี้ขอทานอันนี้จงสําเร็จแก่ญาติเถอะข้าวน้ําอันเป็นทิพย์ก็เกิดแล้วแก่เปรต เหล่านั้นเช่นเช่นนั้นเทียววันรุ่งขึ้นเปรต ก, ก็เปลือยกายแสดงตนพระราชาก็บอกว่าพวกเปรตเปลือยกายแสดงตนพระเจ้าค้าบอกว่ามหาปพิธพระองค์ไม่ได้ถวายผ้าพระราชาก็ถวายผ้าจีวอนทั้งหลายแกพ่พิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ส่วนบุญว่าขอผ้าอันเป็นทิพย์จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายจากจีวอนทานนี้เถิด ในขณะนั้นเองภาทิพย์ก็เกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นเปรตเหล่านั้นก็ละอัตภาพของเปรตดำรงอยู่ในอัตภาพอันเป็นทิพพระศ า, าสดาก็อนุโมทนาด้วยติโรกุตเดสุติดทันติเป็นต้นนะติโรกุเทสุติดทันติสันติ ก, กะสันติกนะก็คือพวกเปรตทั้งหลายนี่นะที่ล่วงรับไปแล้วมายืนอยู่ที่ทางสี่แยกบ้างทางกระทางสี่แพร่งบ้างสามแพร่งบ้าง เพื่อรอนะหรือว่าไปสําคัญอยู่ที่เกาะตามประตูต่างๆคิดว่านี่บ้านญาติของเรานะแต่ว่าเขาก็เปรตเหล่านั้นก็อดอยากหิวโหยเวลาญาติได้รับประทานหรือทําบุญก็ไม่ได้อุทิศ ส, ส่วนกุศลเหล่านั้นเลยเพราะกรรมของตนเป็นปัจจัยเนี่ยนะก็เขาามีถ้าปกติแล้ววันที่อะไรนะที่เรียกว่าวันศาสตร์หรือวันที่เขาเรียกว่าวันปล่อยเปรตอะไรพระทั้งหลายจะชอบสวดสูตรนี้กันนะทีโรกุเทสุติทันติสันติตะเกต สุจานะทวารภาหาสุเป็นต้นนะก็ในสูตรเนี่ย ท, ที่เขากล่าวก็คือกล่าวเกี่ยวกับคาถาเปรตนั่นแหละก็เรียกว่าวันปล่อยเปรตจริงๆก็เป็นวันที่เปรตอดอยากยหิวโหยโดยเฉพาะเน้นพิเศษคือเปรต ญ, ญาติพระเจ้าพิมพิสารทีนี้เอ้าแล้วถ้าหากว่าเกิดเราอยากจะทําบุญทีส่ส่วนบุญไปให้แก่พวกเปรตบ้างได้ไหมบอกได้เนี่ยนะเพราะว่าคําว่าเปรต ญ, ญาติเน้นพิเศษนะไม่ใช่เปรตญาตชาตินี้ด้วยซ้ําไป อย่างพระเจ้าพิมพิสารทำบุญอุทิศให้แก่ ญ, ญาติญาติเมื่อ92กลับที่แล้วพระสาริบุตรเคยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตผู้เป็นแม่เมื่อแม่ชาติก่อนนะไม่ใช่แม่ชาตินี้นะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แม่เมื่อหลายชาติก่อนเพราะฉะนั้นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเขาจะอุทิศว่าอีทางโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยเนี่ยนะขอบุญกุศลที่ได้ทำเหล่านี้แล้วแก่จงสำเร็จแก่ ญ, ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นจงประสบแต่ ความสุขเธอทีนี้ถ้าเราเกิดแหมทำบุญมามากไม่มีญาตเป็นเปรตเลยเนะพระองค์บอกแหมเป็นไปได้ยากไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะเพราะว่าเปรตตะโลกเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะก็บัน้อยก็สามารถที่จะอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ญาตทั้งหลายที่เป็นเปรต ด, ด้วยอที่กล่าวมานี้เนี่ยนะ ก, ก็อยากให้รู้ว่าในสมัยผ่านมาเนี่ยนะ จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไม่ใช่มีผู้ที่ทําบาปาทําบุญอย่างเดียวก็มีกลุ่มคนที่ทําบาปในพระพุทธศ า, าสนาซึ่งบาปก็ให้ผลผู้ที่ทําบุญบุญก็ให้ผลแต่บรรดาเปรตเหล่านี้ 84%, ดหมพเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าจะทําบาปอย่างเดียวเนี่ยนะก็จะทําบาปอย่างเดียวก็ทําบุญบ้างแต่แม่ช่วงนั้นมันหนักไปทางบาปไปหน่อยบาปก็เลยแม่กระ น, นาซ้ําเติมเวลาบาปมันให้ผลเนี่ยนะเชื่อไหมว่าใจมันน้อมไปเพื่อจะทําบาปซ้ําอีกนะ ถ้าว่าตัวเองเคยรับเสวยผลบาปเช่นใดก็น้อมไปเพื่อทําบาปคล้ายกับที่เคยได้รับผลเพราะฉะนั้นบาปทั้งหลายเนี่ยนะถ้าละได้ก็ละถ้าหลีกได้ก็หลีกเว้นได้ก็เว้นใช่ใครที่ไหนไปรับเนี่ยนะชีวิตของเราจะอยู่แต่แบบนี้ตลอดไปได้ไหมจะอยู่แบบที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปได้ไหมโลกเนี่ยนะมันจะต้องเคลื่อนไปมันจะต้องเป็นไปมันจะต้องเป็นไปเรื่อยๆอย่างสมมติถ้าเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยนาฬิกามันไม่ได้หยุดเดินย้ มันพาอะไรไปด้วยพาชีวิตของเราไปแต่ละวินาทีผ่านไปชีวิตของเราแต่ละนาทีก็ค่อยๆหมดไปชีวิตของเราแต่ละชั่วโมงก็หมดไปชีวิตของเราแต่ละวันก็หมดไปชีวิตของเราแต่ละสัปดาห์ก็หมดไปชีวิตของเราแต่ละเดือนก็หมดไปชีวิตของเราแต่ละปีก็หมดไปชีวิตของเราในรอบรอบ1ปีก็ผ่านไปรอบ2ปีหรือรอบ12ปีก็ผ่านไปนะ ทำบุญฉลองอายุครบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบถ้า4ี่รอบอายุเท่าไหร่นะน่ะถ้าถ้าสี่รอบ48นะถ้าห้ารอบ60ถ้ า, 7, 72, า 14, 14, 14, 22, เจรอบ72อนะก็ไล่หลายรอบไปเนี่ยนะลายรอบปีเสร็จแล้วก็มาเข้าสู่รอบชาติหนึ่งชาติผ่านไป อนนนหนชาติ2ชาติ3ชาติ4ี่ชาติ5ชาติ10 20 30 40 50ชาติ100ชาติพันชาติแสนชาติหลายแสนชาติจากหลายแสนชาติก็ตลอดสังวัตกับเป็นอันมากตลอดวิวัตตะกับเป็นอันมากตลอดสังวัตกับวิวัตตะกับเป็นอันมากเนี่ยนะก็ผ่านไปจาก หลายกลับเป็นอสงไขยอสงไขทั้งหลายก็ผ่านไปเป็นอันมากั้นชีวิตของเรามันหยุดอยู่ไม่ได้เมื่อหยุดอยู่ไม่ได้ปัจจุบันในเหตุขออภัยผลที่ได้รับในปัจจุบันเป็นผลของอดีตเหตุ ด, ด้วยปัจจุบันในะเหตุด้วยนะเหตุในอดีตชาติด้วยเหตุในปัจจุบันชาติด้วยชีวิตที่เรากําลังทําอยู่มันจะให้ผลในชาตินี้ด้วยมันจะให้ผลในชาติต่อๆไปด้วยก็เลยเรียกยอ่อๆสรุปยอ่อๆว่า อดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลนี่ในบรรดารายละเอียดของชีวิตของเราเขาก็แบ่งเป็นกรรมกรรมที่เราเคยทําแล้วในอดีตผลก็เคยให้แล้วในอดีตกรรมที่ทําในอดีตผลกําลังให้ในปัจจุบันกรรมที่ทําแล้วในอดีตจักให้ผลต่อภายในอนาคตมันจะแบ่งเป็น3 ส, ส่วนกรรมที่ทําอยู่ในปัจจุบันบางอย่างกําลังให้ผลในปัจจุบัน กรรมบางอย่างที่ทาในปัจจุบันจกให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมที่ทาอนาคตก็จะให้ผลต่อต่อไปในอนาคตกรรมมุนาวัตะตีโลโกศาสตร์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมูสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมจะสุขจะทุกข์เนี่ยนะเกิดมาในชาติตระกูลก็กรรมเป็นตัวกำหนดผิวพรุ์โครงสร้างกรรมก็เป็นตัวกำหนดสติปัญญากรรมก็เป็นตัว กำหนดอาสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีเนี่ยนะพูดถึงโครงสร้างนะกินเหมือนกันหลับเหมือนกันอะไรเหมือนการอีกคนหนึ่งขี้โรคจังเลยอีกคนหนึ่งสุขสบายดีอันนี้กรรมก็เป็นตัวกาหนดเนี่ยนะอายุยืนอายุสั้นกรรมก็เป็นตัวกาหนดมีลาบยศมากมีพวกมากหรือพวกน้อยกรรมก็เป็นตัวกาหนดผิวพรรณดีผิวพรรณซาเป็นต้ น, นกรรมก็เป็นตัวกาหนด เพราะฉะนั้นกรรมมูลสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมจะเลวจะประนีตความแตกต่างแห่งสัตว์ก็เป็นไปตามกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั้นเหตุการณ์ที่เรากําลังทําอยู่นี้อนาคตผลควรจะเป็นอะไรเพราะถะ้าผู้ใดประสงค์ผลเช่นใดเราก็ทําเหตุเพื่อให้เสวยผลเช่นนั้นอย่างพระโพธิสัตว์ท่านก็ผลของที่สิ่งที่ท่านต้องการมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็กําหนดว่าอนาคตอีกต่อไปอีกสอสงไขยแสนกับจะได้เป็นพระพุทธเจ้าตามที่พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์เพราะฉะนั้นระยะเวลาปัจจุบันเหตุทุกครั้งทุกครั้งชีวิตของท่านที่ดําเนินไปถึงท่านก็สร้างเหตุตลอดเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปที่ไหนก็ไปสร้างเหตุเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่สนใจว่าผลจะได้รับมันคืออะไรผลใกล้ๆมันคืออะไรแต่สิ่งที่ท่านต้องการไกลที่สุดคือ สัพพัญยุตยานท่านท่านต้องการบรรลุสัพพัญยุตยานเหมือนคนที่เรียกว่านะมีอยู่ในชาดกในชาดกเรื่องหนึ่งเหมือนคนหาเสียงควงนั้นคือถ้าตัวเองได้ตําแหน่งแล้วก็ต้องหาเสียงต่อไปจะได้มียศมีตําแหน่งยาวๆฉันใดนะผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้ า, าก็ทำเช่นนั้นเนี่ยนะก็เอาใจอย่างเดียวเขาเรียกว่าบารุงคํานุบารุงเอาใจใส่ หน่หน่พุทธทางกูลเขาเรียกว่าหน่เพื่อที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้ารดน้ําใสปุ๋ยพรวนดินจะรดด้วยเลือดด้วยเหงือ่อด้วยน้ําตาโรดหมดกว่าจะได้เติบโตเป็นพระพุทธเจ้าสละเลือดเพื่อสัตว์สาททั้งหลายสละเนื้อเพื่อสัตว์ประสาททั้งหลายสละร่างกายและชีวิตเพื่อสัตว์ทั้งหลายในที่สุดพระองค์ก็ได้เป็น พระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างสิ่งผลผลิตของการเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ก็ทำให้มีคำสอนเหล่านี้ให้เราได้เรียนรู้เนี่ยนะได้ศึกษาได้ศึกษาคำสอนวิธีปฏิบัติในการเจริญคำสอนว่าจะทำยังไงจึงจะเป็นกายสุจริตทำยังไงจึงจะเป็นวจีสุจริตมโนโ ส, สุจริรตประพืชปฏิบัติอย่างไรจะได้ เป็นปฏิบัติอยู่ในส่วนมัชชีมาปฏิปทาปฏิบัติเช่นใดจึงเจริญงอกเงยงอกงามด้วยอริยทรัพย์ปฏิบัติเช่นใดจึงจะเจริญ ด, ด, ด้วยโพธิปัจจะธรรมปฏิบัติเช่นใดจึงจะพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกปฏิบัติเช่นใดจึงจะพ้นจากวัฏฏะโดยประการทั้งปวงอันผลผลิตจากการสร้างบารมีตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีคําสอนให้เราได้เรียนรู้ศึกษาปัจจุบันถ้าหาว่าไม่มีคําสอนเหล่านี้เราจะเป็นอย่างไรกันหนอ ถ้าไม่ได้ฟังใจของเราจะเป็นยังไงหนาเราก็คงทำบาปให้ตัวเองไม่ใช่น้อยแล้วใครไปร้องให้แทนเราอะ่ะใครจะไปเป็นคนอภัพแทนเราและใครจะไปเป็นคนมีโชคมีวาสนาแทนเราเพราะว่ากรรมของผู้ใดก็เป็นของผู้นั้นกายกรรมสิ่งใดก็เป็นของเราวัจีกรรมก็เป็นของเรามนกรรมก็เป็นของเรา แล้วเราจะเลือกสร้างบาปสร้างกรรมให้แก่ตัวเราเราเลือกที่จะสาปแช่งให้ตัวเองอย่างนั้นหรือเพราะฉะฉนั้นก็มีส่วนที่เราควรจะมาสร้างสิ่งที่ให้พรแก่ตัวต่อไปในอนาคตสามารถที่จะทําทั้งได้ตั้งหลายอย่างเพราะถ้าเราปรารถนาจะให้พรให้เราชาติเกิดชาติตระกูลสูงก็ด้วยการนอบน้อมบูชาพระรัตนะไตรถ้าหากแล้วเราเนี่ยให้พรตัวเองอยากให้เป็นคนมีความฉลาด ก็ศึกษาความรู้คำสอนให้เข้าใจต่อไปจะได้ฉลาดขึ้นเพราะคนเดียวกันถ้าศึกษากับไม่ศึกษาเนี่ยมันฉลาดต่างกันเยอะอยู่แล้วถ้าเราอยากให้พรว่าชาติหน้าขอให้เป็นคนรูปงามก็นะอย่ากโกรธให้มากนะชาติหน้าปราชน์จะให้อายุยืนก็อย่าเบียดเบียดสัตว์อย่าฆ่าสัตว์ เป็นต้นเนี่ยนะถ้าปรารถนาอยากให้มียศมากมีพวกมากมีบริวารเยอะก็เจริญมุทิตาให้มากอย่าไปเจริญริษยาเป็นต้นซึ่งเหตุเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นผลที่จะมีต่อไปในอนาคตพวกเราเกิดมามันก็สมแก่สมแก่เหตุในอดีตแล้วละวิบากที่เราได้รับเนี่ยนะถ้าเป็นคนยุติด้วยเหตุด้วยผล ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันสมควรด้วยเหตุด้วยผลไม่ต้องไปโทษพ่อโทษแม่โทษพี่โทษน้องโทษวงศาคณาญาติโทษดินฟ้าลมไฟอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปโทษอะไรซารกอย่างทุกอย่างมันสมควรแก่เหตุแก่ผลหมดแล้วเนี่ยนะพันแต่นี่ชอบโทษคนนั้นอ้างคนนี้โวยคนนู่นเห็นไหม ที่ไหนได้ถ้าตัวไม่เคยทำมันไม่ได้รับอย่างนั้นหรอกนะนะมันทุกอย่างก็ยุติตามเหตุและผลยุติตามกุศลธรรมอกุศลธรรมตามอัพยากตรธรรมแต่สำคัญที่สุดขอให้ใจของเรามีมีทำรอบรู้ในเหตุในผลรอบรู้ในรู้เรื่องดีเรื่องชั่วล้วก็ค่อยๆตั้งต้นมาอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลปรารถนาผลเช่นไหนถ้าปรารถนาจะทานมะม่วงเราคงไม่เอ า, เอาตำแยรหรือหมามุ้ยมาปลูกใช่ห มันไม่ออกเป็นมะม่วงอยู่แล้วเชื่อเหอทีนี้ว่าวิบากที่เราได้รับมันเป็นของเฉพาะตัวถ้าเป็นผลหมากรากไม้ยังพอแบ่งนะเอามาทําค้าขายเอามาไปซื้อมาแบ่งมาปันมาขายกันได้บ้างแต่เรื่องบุญบาปเรื่องดีชั่วเรื่องอายุยืนอายุสั้นชีวิตในการดําเนินชีวิตเป็นไปในวัฏะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเพราะะฉนั้นเมื่อกรรำเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้เข้าเราก็ทําบุญด้วย ผลของบุญยังไงก็ให้ผลเป็นสุขธรรมชาติของบุญเป็นอย่างนั้นแต่บุญที่เราได้ทําควรตั้งความปรารถนาเพื่อให้รู้ธรรมอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลาที่พระองค์ทาบุญเนี่ยพระองค์รู้ไหมว่าวิบากมันจะต้องให้ผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นบอกพระองค์รู้รองค์ต้องการใช่ไหมไม่ใช่ตัววัตถุประสงค์แต่มันเป็นทางผ่านนะมันเป็นทางผ่านเหมือนอะไรเหมือนอย่างคนที่ไปไหว้สังเวชนียสถานไอการพูดคุยเรื่องอาหารเรื่องโรงแรมเรื่องที่พักเรื่องระหว่างทาง มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยแต่สิ่งที่ต้องการจริงๆคือไปไหว้พระไประลึกถึงพระพุทธเจ้าเรื่องอื่นมันเรื่องปลีกย่อยฉั้นใดผู้ที่เขาปรารถนาจะบรรลุมรรคผลเกิดพบใดชาติใดบริบูรณ์พูนสุขแค่ไหนหรือตกต่าต่ำต้อยขนาดไหนมันเป็นเรื่องของทางผานแต่สิ่งที่ต้องการจริงๆก็คือการตรัสรู้มรรคผลของท่านบากวไม่รอนานขนาดนั้นหรอกบางั้นเบื่อเต็มทีแล้วเบื่ออะไร คิดว่าเบื่อหรือว่าเบื่อหรือเพราะเห็นโทษเนี่ยก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าเบื่อเพราะอะไรจักขูไม่เที่ยงถ้าอย่างนี้ก็ใกล้ๆถึงฝั่งแล้วล่ะแต่ถ้าหากว่าคิดว่าเบื่อเออมีความรู้สึกว่าเบื่อโอไม่อาจจะไม่สมความปรารถนามั้งเนี่ยนะถ้าสมความปรารถนาจะเบื่อหรือเปล่าเนอคิดนึกอะไรก็ใดอย่างดังใจนึกเลยเนี่ยังรู้จะเบื่อหรือเปล่าไม่ทราบะนะคิดทุกอย่างเป็นอย่างที่ตัวเองหวังหมดเลย คิดยังไงก็เหมือนหนังใจเนรมิตได้ทุกอย่างถ้าเราเป็นเหมือนกับอะไรนะสวรรค์ชั้นนิมมานารดีอยากได้อะไรเนรมิตขึ้นมาเองหมดในคิดหรือว่าจะเบื่อวัตตะหรือว่ามีบุญหนักขนาดนี้เป็นปรนิมมิตแต่ว่สวัสดีเนี่ยนะคิดอะไรมีคนคอยอภิเสกให้เราหมดคอยเสกให้เราเบ็ดเสร็จหมดเบื่อจริงหรือเนี่ยนะถ้าหาว่าทุกคนทําให้เราอย่างที่เราต้องการเนี่ยเบื่อจริงหรือก็ศึกษาดูนะเบื่อเพราะอะไรเพราะว่า เราได้ฌานเนี่ยเออมีปฐมฌานประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาตอนแรกบอกแม้พ่อขาดแคลนวัตถุกันดานแห่งแรงวัตถุเหลือกเกินมีทุกอย่างได้ดั่งใจเนื้บอกเอาแห่งแรงทางจิตใจเอาให้ได้ปฐมฌานทุติยฌานปฐมฌานประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิเวกเอาให้ได้ปฐมฌานเอายังจะเบื่ออีกหรือเปล่าถ้าเบื่อจริงเน่แน่ น, นะบอกโอ้ยไม่ยังมีวิตกวิจารบอกเนี่ยต้องเอาให้ได้แต่ทุติยฌานตติยฌานบอกนี่ยังเป็นรูปเอาอรูป แม่ให้เหลือแต่นามอย่างเดียวก็พอมัง้งนะยังอะไรอวบถ้ายังติดยังคล้องอยู่ก็ยากนั้นอีกนานแต่ถ้าทําอย่างนั้นยังไม่ได้ทํำยังไงก็นี่แหละให้ทานรักษาศีลเจริญบุญเจริญกุศลก็ตั้งความปรารถนาไว้เธอเนี่ยนะแต่ก็อย่าลืมว่าอย่าเพิ่งละไอของอันเป็นที่รักเลยนะให้ละของอันไม่ค่อยเป็นที่รักเธอเนี่ยนะเขบอกเชื่อไหมทำํำท่าจะละได้ทุกอย่างเหลือไว้แต่ความไม่สบายใจก็พอเหมนกันอา้าวความไม่สบายใจมันดีหรือไงบอกไม่ดีอ่ะอ้าวแล้วเก็บมันไว้ทําไม บอกไม่ได้มันต้องลำบากใจไว้ก่อนก็ว่างั้นนั่ น, น, นทำท่าเหมือนแหม่สวรรค์ก็ละได้อะไรละได้หมดอ่ะเลือไว้ขอเก็บไว้แต่ความไม่สบายใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคิดมากเป็นโรคคิดมากนั่นทำท่าจะสละได้ทุกเรื่องเว้นไว้แต่อันนี้ไเรื่องที่กําลังคิดมันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะเรื่องอื่นเล็กน้อยสวรรค์นิพพานอะไรเล็กน้อยนะแม่แต่เรื่องกําลังที่กําลังทุกข์อยู่นี่มันเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยนะเรื่องอะไรบอกเข็มมันตกไปหล่นเล่มหนึ่งนะ มันยิ่งใหญ่มากที่สุดยิ่งกว่าแผ่นดินถลม่มฟ้าถลายไปหมดเชื่อเหรอเชื่อไหมแต่ละคนเรื่องไม่สบายใจนะมันเรื่องเข็มทั้งนั้นะลยแต่เกบมาสบายไม่สบายใจได้นานกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับโรค ก, กระเพาะกอกกำเริบอมันวุ่นวายไปหมดมองอะไรเหมือนกับ น, น้ำทิ่มตาทิ่มใจไปหมดมันทุกแท้้เรื่องที่ทุกเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรมันทุกจริงหรือหรือว่าคิดว่ามันทุกเนี่ยนะบางที เพราะฉะนั้นก็จะพิ่งละอะไรเลือเขามาว่านะให้ละแต่ความไม่สบายใจทั้งๆที่รู้ว่าดีไหมบอกไม่ดีเลวใช่ไหมบอกเลวมากละมันเถอะไม่ได้ไม่ได้ ม, มันขอขอไม่สบายใจอีกต่อไปบอก อ, อย่าว่าสวรรค์ น, นี้พระ อ, อ, อย่าว่าสวรรค์พรหมโลกเลยพยายามละไอ้ความไม่สบายใจที่มันอยู่ในใจไปก่อนถ้าละความเครียดได้นะเปอร์เซ็นต์เชื่อนะว่าจะละอย่างอื่นๆสูงๆได้แต่แหมอกุศลยังค่อยละไม่ค่อยได้เลยเนี่ยเลือไว้แต่ความไม่สบายใจท้าอย่างนี้ก็ ก็อีกนานเหมือนกันนะเอาถามวิธีแก้บอกทํำยังไง ก, ก็ให้พรตัวเองบงั่งขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขสวดเมตตาสูตรใช่ไหมขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมีตนถึงความสุขเธอเอแต่ทําไมเรามันทุกแพ้ก็เปลี่ยนใหม่ก็แล้วกันขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสุขมีความเกษมีตนถึงความสุขเธอหักให้พรตัวเองบางัางสาิแช่างสาปแช่งเงินไปถึงไหนใช่ไหม บางคนเนี่ยแปลกนะเกิดมาดา่ดาได้แต่ตัวเองทั้งวันเนยนะก็เรามันเลวก็เรามันไม่ดีตําหนีตัวเองนะก็เจริญเมตตาให้ตัวเองบ้างสิเนี่ยนะก็แบบเมตตาสูตรนั่นแหละขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีสุขมีความกเกษมมีตนถึงความสุขเถอดทาไมไม่ให้กําลังใจตัวเองบ้างให้พรแก่ตัวเองบ้างให้ประสบแต่ความสุขและความเจริญอนะย่างแบบเมตตาสูตรนั่นแหละถ้าตัวเองยังไม่เมตตาต่อ ต, ตัวเองนะผมมาไม่ค่อยเชื่อว่าจะเมตตาต่อคนอื่น จริงแล้วไม่ได้เมตตาต่อคนอื่นถ้าเป็นคนที่ช่างติตัวเองอย่าคิดนะว่าจะชดอาจจะเมตตาต่อคนอื่นเพราะตัวเองยังตำหนิจะกล่าวไปยายถึงคนอื่นมันต้องหมั่นเจริญเมตตาให้แก่ตัวเองมากๆพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญเมตตาให้แก่ตัวเองก่อนอนะถ้าหากว่ารู้ว่าตนเป็นที่รักฉันใดผู้อื่นเขาก็มีตนเป็นที่รักฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนตนและไม่ควรเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบทไม่ควรเบียดเบียนทั้งผู้อื่น มันก็ควรจเจริญเมตตาให้กับตัวเองมพราจะละอะไรรูปที่น่าปรารถนาะเป็นต้นก็ช่างเธอละความไม่สบายใจก่อนเนี่ยนะทละความไม่สบายใจได้น่าจะใกล้ผลทุกได้เยอะเหมือนกันเนี่ยนะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนแล้วกัน